ผู้ค้าได้แล้วสันบอเอาเราค่ะสันเอาไปยังเอาไปเอาไปถิ่มไว้ซื่อเอาให้ผู้อื่นตะรับเงินตั้งเกือบร้อยบาทพราะนั้นสุจรินูลเปนราคาถือได้นะบอกเป็นเสียาถาเป๋าฟูดฟาดมัเนีอันนี้เกือบร้อยบาทเนี่ยกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ย8ปดร้อบาทนเพราะนั้นห่อจีแจกห่อเบิ้งเ ห, เ ห, เงเหลวเบิ้งอีกคนไปเบิ้งหอดหัวหอดตีนตีนหอดหัวหัวหอดตีนนี่ค่อยจีแฉกคนไป พ่อแม่สิตแจกซุ้มชี้หัวพอแจกไปแล้วเอาไปเอาไปหมุนเอาไปหมุนหัวเหล็กนีสิม้นแม่แนวนอไปพราะนั้นหลวงพอ่อจะพอแจกง่ายๆแต่นันตลับนั่นแปลว่ามันมีอยู่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าตลั บ, บไปเจ็ดสิบกว่าตลับราคาเกือบแปดร้อแต่จะต้องบอกไม่ๆบอกได้ที่แหนเจ็ด5้อยห้าสิบนะว่าเจดร้ยห้าสิบ แต่เบิงๆแหลขึ้นมาอีกแต่ลงพอของท่า น, นถามและรายละเอียดบงางอาจจะลดอาจจะขึ้นก็พอหูแต่ว่าเอ็มพสที่จะมาแจกข่าวนี้นะ่ยแจกงานกระถินข่าวเนี่ยหนะึ่งเจ็ดแสนกว่าบาทนะสะทัทธาญาติโยมลูกหลานนะเจ็ดแสนกว่าบาทตะค่าแจกเอ็มพีสามนะพอเป็นสีเสียค่าถาฟูดฟาดเลยนะทีเพราะนั้นสีแจกแต่ละเธอ่ยตรงเบิงคิดแล้วคิดอีกขึ้นกัน มีประโยชน์บอกันบุมีประโยชน์จะแจกไปให้ยังคือกันก็ไปวานเม็ดเขาลงใส่หินดาษนั่นสินะวานไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่นะมมันก็บอเกิดมองหอกโป่งเอยเดี๋ยววานเขาเขาป้ายเม็ดเขาเขาป้ามันก็บอเกิดประโยชน์ก่อนเสียวานก็ต้องเบิ้งซะก่อนเออสัตยายญาติโยมลูกหลานไฟใจในการฟั่งบอ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 กันลงตาอยู่วัดขั้นลูกศิษย์เก่าแก่มากอย่างนี้นยังเ่าแก่ลั่นมั่นอย่้ก็เถาแก่ล้านมั่นมาหาโลกตาได้เสียนดนหนนอย่างไรมาหาขอพบกับเพื่อนแด้วเ่า น, น, นีป่อพบกับอะไรว่นเร า, า, าไปย่อมเก่าแก่วันเราไ ป, าปาาเอาไปมากเพื่อมากพูนันมากพูนีมากเอาไปมากเอื่นมากอีกพูนันมาพกพูนีมากตายลยบ้านเนี่ยมิัะหนีเธอแล้ววันเราไปท่างเดียววนเราไปหนีค้นวันรไปนี่แหละ ลงตาหนีคนหนียังสัตวเนียหนีลูกชิดเกาแก่เนี่ออกไปอ่าพอลูกชิดเกาแก่มากเนี่ยเฮ็ดยังไงล่ะเฮสีบอภบกบอใดเป็นผูมีบุญ ม, มีคุนต่อกันหูจักกันมาก น, น, น่มนั่นได้สะไปหับกบอใด บ, าบา้านมัดลายในบ้านลูกชิดเกาแก่นี่ก็ได้มาเจ้าก็จักลอยสักพันผู้นั่นก็มากผู้นี้ก็มากท้งลูกทัางหลานก็มากขั้นบอหับก็เหมือนกับว่าบอหา ความสำคัญในตระกูลหรือว่าสัทธาญาติโยมเก่าแก่ของเพลนนี่แหละอันนี้แหละเพลนของบัวได้ขืนโโรับในตายคือกันกับนักมวยหน่อยทเก่งบ้านนี้เกง่กกเกงคืนไปซกซกกับพวกนี้แล้วผู้อื่นก็นมาซกต่ออีกทั้งกต่ออีกเอาไปม้าหดแพะหดมวยเลี้ยงควายไปเหตุยจจังไงพระมันเหมดอนกลังเลย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 บอกห้ามคนโอ้ยหลวงปู่ทีอายุถึงเก้าสิบปีบอกัตนคนมันมาล้มมาต้มมัดมือมัเวขนนะอาาไนะไอไทยเชียงใหม่เขาวาวันไปอ่าเนี่ยคอยขึ้นถึงบุญคุ้นของหลวงปู่หนูอาจารย์หนูปู่หนูที่รักษากรีดกันบอกให้คนเขาไปลบกวนหลวงปู่แหวนมากเกินไปนี่แหละถึงข้าวเนืมันก็ต้องได้ห้ามต้องได้เบิ่งกันคุบาอาจารย์พระพุ่านะ แต่หลวงพ่อบอก่ยบอกย่บอกยื่นปปน่ะนรอกพ่อปลายประเด็นคื อ, อกันใจไปแล้วห <laughs> ลวงพ่อใน้ถามโอ้ยคุณแม่ฉอนอาตมาเนี่ยญานเฒ่าแล้วเช็ดจะไหนญาตเฒ่าก็ตายซะคูเฒ่าว่ะคุณแม่ชื่อแก้วเออแมนแมนแมนมาขั้นญาติเฒ่าก็ตายท่านเนี่ยขั้นบ่ตา ย, าา ย, ยาขั้นเฒ่าแท้ๆแล้วทั่วไปขั้นบ่ตายเฒ่าแท้ ๆ, ๆทัว่วไป พเพานั่นผู้เฒ่าว่าขั้นญาติข้ยญานเฒ่าก็ตายซะท่านผู้เฒ่าว่าเออแม่นว่ะเข้ายังจําบุริมบุรุษไปผู้ขาเลยตลวงพ่อเห็นคุณแม้วันนั้ไปนางเหยียดขาเลยกัเขี่ยวหมากเลยเอาปูนแตม้แตมผู้เน่ยแต้มจะต้อยต่อยอย่างนไปแต่ ก, ก็เขี่ยวหมากเขี่ยวแล้วคายแล้วก็เขี่ยวโอ้โอตาตายต า, ยต า, ยตายชีวิตแต่ละมื่นแต่ละเว้นนิดน้อยเป็นตา ญา太太วะวะติเล่เานี่วะวะเาเนี่ยเป็นตายาแท้แท้วะชราเนี่ยวะโรคชาลาเนี่ยเป็นตายาดแท้แ่วะไปใส่บ่อเป็นผ้าละกับปลูกกับร้านโอ้คุณแม่คุณแม่อาตมาเนี่ยาตแท้แท้เาเนี่ยวะเฮ็ดจังไหนรอขันญาติเาก็ตายก่อนซะพวกเาจะเฝ้าเ่าวะนแมนแววันนี้เป็นวันที่ส6หก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 สูวัดว า, าสนาข้าพเจ้าก็จะรักษาศีลสมาทานศีลอยู่ในบ้านถ้าเมื่อมีโอกาสก่อนเสียสละมามาสู่วัดว า, าสนามาสู่วัด้าว่าเราจะรักษาศีลแต่อยู่ในบ้านอย่างเดียวเออเอาปรมาจิตอย่างเดียวเราไม่มาวัดรักษาศีลอยู่ในบ้านนี่แหละรักษาศีลอยู่ที่ไหนก็ได้หลวงพ่อเคยพูดให้ฟัง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 มาพบกันมาพบค่าสมาคมกันในวัดวาศาสนาเหมือนกับศาสนาอื่นเขาเข้าละหมาดหรือว่าเข้าโบสถ์ออย่างนั้นหละอันนี้พุทธศาสนาของเราก็ควรจะถึงจะไม่เปี้ยอย่างนั้นทีเดียวกับพวกเราก็ควรจะคำหนึ่งไว้เหมือนกันเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่อยู่ด้วยกันมีเหตุมีผล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 ข้าพเจ้าจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างที่พวกเราเคยรักษาในพรรษาลักษณะอย่างนั่นแหละตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานวิรัตเจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิเนี่ยเจตนาเป็นหลักถ้าว่าพวกเราตั้งจิตวิรัตเจตนาแล้วเป็นศีลขึ้นมาในตัวของเราเองเรารักษาเอง แล้วก็ตั้งสัจจะเองล้วก็รักษาี่รักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลป์ศิลป์คือรักษากายวาจานะให้ฟังเอาไว้กายวาจากายก็คือการกระทาทางกายวายจาคือคำพูดรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลป์แต่ว่าใจนะ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าตัว น, นั้นยังอยู่ลึกนะแต่ถ้าเราใจคิด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 เห็นผิดจากคลองท ร, รหนึ่งเห็นพยาบาดหนึ่งอาฆาตจองเวรเขาหนึ่งแล้วก็เห็นผิดจากทำนองคลองทรหนึ่งตัวสุดท้ายคือเห็นผิดจากทำนองคลองทำนี่นะกว้างขวางาคิดไม่ดีพูดง่ายง่คิดจะจะข่าคนอื่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอันนั้นคือคิดไม่ดีส่วนธรรมไม่ดีเนี่ยคือออกมาเป็นศินห้าแล้วนะเนไม่ดี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 กายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนโกรรมสามมโนกรรมสามคือโลภอยากจะได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดอยากทานององคลอ ง, ลองทรห น, นึ่งคือความคิดทางในใจวจีกรรมสามก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบมโนกรรมสามกฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนี่แหละ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 รักษากายวายาให้เรียบร้อยชื่อวสิณคือสินห้าสินแปสิน2อ7ีสิบสน10สองสมมนเนสและก็สินพระสงฆ์2อ7อันนี้คือสินคือธรรมนั่นก็คือสินสมาธิธรรมและกปัญญาแต่ตามไม่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกั น, นมันก็นเหมือนกับลูกโซ่ที่อยู่ด้วยกัน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 ต่อเพื่อนมนุษยชาติอย่างน้อยก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้เป็นธรรมทานนะนี่แหละการอยู่ด้วยการกับหมูมวลมนุษยชาติมันต้องมีทานมีศีลแล้วก็ภาวนานเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาศีล เ, เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญรักษากายเป็นรู้ เ, เป็นอาภรณ์เป็น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 แทั้งที่เรารู้ว่ามันผิดกฎปัยมันผิดศีลธรรมจริยธรรมแต่เราจะทํำยังไงเพราะมันให้มันผิดกฎมาให้มันเอาไปทางไม่ให้มันผิดนะ่ะอนี่เรารู้แก่ใจอแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำคำสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำคือหลักเหตุผลถ้าเราจับไฟดูซิทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็าตามนี่นคือไฟมันร้อนไหมมันร้อนนี่แหละ จับในที่แจ้งจับในที่มืดจับในที่สาธารณะจับในที่ไหนๆคือไฟแลมันร้อนนั่นนั้นอันนี้ก็เหมือนกันความชั่วนะเน่ยเราจะจับนัาจะำรำน่าจฐ า, านที่ใดก็คือความชั่วเนี่ยแหละหลักธรรมถ้าคนมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีคุณธรรมในจิตใจแล้วจะไม่ทําในสิ่งที่มันชั่วเสียหายนั้นนัน้นั่นก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ